ดีเช้าวันจันทร์ครับนี่คือเสียงจากซีเอบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดตปเะยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบสามข้อเท็จจริงอันเกิดจากการที่ระเยซูคริสพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้เรียนให้พี่น้องทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในชีวิตของเราหาปาสจากระเยซู เรายังคงอยู่ในบาปของอาดัมเราจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เราได้รับความรักและความพรอเราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเราก็จะเป็นเรียกว่าชีวิตที่อยู่ในพระเยซูนั่นเองเนะครับเช่นเดียวกันครับก็มีทั้งหมดเจ็ดอย่าง นะครับเปรียบเทียบกับชีวิตที่อยู่ในอาดัมผมอยากจะขอย้อนนิดเดียวครับเกี่ยวข้องกับชีวิตที่อยู่ในอาดัมนั้นก็คือเราเป็นคนบาปเราถูกกล่าวโทษเรามีความผิดที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าอันที่สองก็คือว่าเราเป็นลูกหนี้เพราะเนื่องจากการฝ่าฝืนพระบัญญัตินั้นทําให้เราเป็นหนี้บาปและค่าจ้างของบาปคือความตายประการที่สามก็คือ ผลของความบาปนั้นก็คือความตายนิรันดร์สู่บึงไฟนรกอันที่สี่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักษาบัญญาตัติแล้วรับความรอดแต่เราจะต้องเชื่อพระเยซูถึงจะรับความรอดเราตกเป็นทาสของความบาปและมารซาตานอันที่ห้าความบาปของเราทําให้เกิดความห่างเหินจากพระเจ้าและอันที่หกเมื่อเราถือกําเนิดอยู่ในโลกนี้เราก็กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าและสุดท้ายครับ ชีวิตของเราก็หลงทางเราเหมือนกับแกะที่หลงจากฝูงแต่ในพระคิตตรงขันข้ามครับตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อที่เจ็ดก็เปรียบเทียบกันได้หมดข้อแรกก็คือในพระคิตนั้นแทนที่เราจะเป็นคนบาปเรากลับกลายเป็นผู้ชอบธรรมเราเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์เราได้รับการประกาศในสถานภาพใหม่ก็คือเป็นผู้ชอบธรรมโดยผ่านองค์พระเยซู ประการที่สองก็คือหนี้บาปของเรานั้นถูกชัยครับหนี้บาปของเราถูกชําระแล้วบนไม้กางเขนไม่มีหนี้อะไรติดค้างอีกเราไม่ต้องรับค่าจ้างของความบาปประการที่สามครับแทนที่เราจะมีจุดหมายปลายทางคือบึงไฟนิรันต์นะครับแต่พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตนิรันต์ในแผ่นดินสวรรค์ ประการที่สี่ครับแทนที่เราจะไปเป็นทาสนะครับเรากลับกลายเป็นไถ่ครับเพราะครั้งหนึ่งจะอกะักขรเปารุบอกว่าข้าพเจ้าเคยเป็นทาสแต่เวลานี้เราได้รับอิสรภาพเวลานี้เรารับการไถ่โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเราจะไม่เป็นทาสของซาตานอีกต่อไปประการต่อไปประการที่ห้าครับ แทนที่เราจะห่างเหินกับพระเจ้าเพราะความบาปของเราแต่เราได้รับมอบสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าเราได้ถือกำเนิดในครอบครัวของพระองค์แล้วพระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรนะครับอันนี้เขาเรียกว่า adoption นะครับประการที่หกแทนที่เราจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าครับ การสิ้นพะชนและการเป็นที่มีความตายการฟื้นคืนพะชนของพระเยซูได้นำชัยชนะนะครับนำชัยชนะมาถึงชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้เอาชัยชนะนะครับชนะสาตานเรียบร้อยแล้วและเราไม่ได้เป็นคนของมารอีกต่อไปครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกต่อไปแต่เรากลับคืนดีมีสันติภาพกับพระเจ้าสุดท้ายครับแทนที่เราจะหลงทางเพราะว่าเราเลือกทางเดินด้วยตัวเอง หรือเราตกอยู่ในถิ่นทุรกันดารฝ่ายวิญญาณนะครับเหมือนกับแกะที่หลงไปจากฝูงแต่ในฐานะที่เราอยู่ในพระคิดในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพรงได้พบตัวข้าพเจ้าได้เลือกข้าพเจ้าไว้และประทานชีวิตใหม่คือชีวิตนิรันดร์ชีวิตแห่งการให้อภัยชีวิตที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิ ต, ตแต่ละวันชีวิตที่มีอิสรภาพจากความรู้สึกผิดและอีกมากมายหลายอย่าง พี่น้องครับสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีบาปเป็นลูกหนี้แล้วก็ปลายทางของเขาอยู่ที่บึงไฟนิรันต์ชีวิตของเขาในโลกนี้ตกเป็นทาสของมารซาตานห่างเหินจากพระเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าและหลงทางไปแต่ชีวิตในประคิดนั้นเป็นชีวิตที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น องพระเจ้าสูงสุดและเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนที่เราในการที่พระชนของพระเยซูบนไม้กงเขนนั้นเพื่อจ่ายหนี้บาปให้กับเราครับและเราไว้วางใจพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดที่ฟื้นคืนพระชนและพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราให้รอดจากผลของความบาปพี่น้องครับเราจะมีชีวิตที่ดีและเราจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรานะครับแม้ว่าเราจะหหลงทางไปในบางครั้งก็ตามเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมพระเยซูชิ้นพระชนและประกาศให้เราเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และดีขึ้นเรื่อยเรื่อเราไม่ได้เป็นหนี้ของบาปอีกแล้วเราได้ถูกจ่ายราคาค่างวดแล้ว โดยชีวิตของพระเยซูนั่นเองเรามีชีวิตใหม่คือชีวิตนิรัน์ชีวิตที่บังเกิดใหม่ในองค์พระวิญเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นผู้ที่อยู่รอบๆเราอยู่ในเราอยู่ข้างๆเราล้อมรอบเราปกป้องพิทักษรักษาเราทางด้านจิตวิญญาเราได้รับการไถให้เป็นอิสระเราได้รับการทรงเรียกว่าเป็นบุตรเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้า และเรากลายเป็นลูกแกะของพระองค์โดยมีพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงซึ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระเยซูพี่น้องครับช่างเป็นสิ่งที่สวยงามน่าอัศจรรย์และน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ว่าเราเองนั้นทําด้วยตัวเองไม่ได้จึงกลายเป็นพระคุณครับและเราไม่สมควรได้รับ แต่ได้นี่คือพระคุณครับในด э ้วยเหตุนี้เราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะตอบสนองพระคุณนี้อย่างไรพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมพระคุณที่ยิ่งยิ่งใหญ่นี้ทำให้เราทั้งหลายไม่ต้องตายนะครับพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตวิรัน์พระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้เราได้รับการไถ่เป็นอิสระจากความเป็นทาสพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ทาให้เรากลายเป็นลูกของพระเจ้า พระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าและพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้เราได้รับ eternal security นั่นคือความคุ้มครองฝ่ายจิตวิญญาณความคุ้มครองอันเป็นนิรันดร์ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นลูกแก่ของพระเจ้านั้นพระองค์จะทรงดูแลเราครับไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับ ที่มีความรู้สึกผิดฟ้องอยู่พี่น้องครับเมื่อเราสารภาพบาปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมั่นใจว่าเราได้รับการยกบาปแต่ท่าทีแห่งการสารภาพบาปที่สําคัญเพราะเนื่องจากท่าทีนี้นะครับจะต้องเกิดขึ้นจากการรู้สึกรังเกียจบาปไม่อยากทาบาปอีกต่อไปในขณะเดียวกันรู้สึกสำนึกผิดและตั้งใจที่จะไม่ทํามันอีกนี่คือท่าทีแห่งการกลับใจครับพี่น้องจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้ว่าเราต้องสํารวจชีวิตของเราทุกๆวันครับ ไม่ว่าเราจะอ่านพระวจะนะของพระเจ้าจะอธิษฐานเจ้าเจ้ารอคอยใไขควรวณฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และกรทําตามด้วยความเชื่อฟังในเรื่องของการประกาศก็ดีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ดีในเรื่องของการเสริมสร้างทั้งตัวของเราเองและคนอื่นๆก็ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเดินในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องและด้วยความเข้าใจนี้ทําให้เราซาบซึ้งครับ ด้วยความรู้นี้ทําให้เรารู้สึกตอบสนองปรารถนาที่จะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าแท้จริงแล้วข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระเจ้าได้เพราะพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ถึงกระนั้นก็ดีพระองค์พระเจ้าของเรานั้นก็ยังเปิดโอกาสให้เราตอบสนองครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือพระคุณอีกเหมือนกันครับแท้จริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ในความไม่สมบูรณสมบูรณ์แบบนี้เอง ทำให้เรารู้ว่าเราต้องยิ่งถ่อมใจลงในการที่จะเข้าหาพระองค์เราต้องยิ่งถ่อมใจลงในการที่เราจะแสวงหาและให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเรายิ่งถ่อมใจลงในการที่เราจะต้องวางแผนและมอบแผนนั้ให้กับพระเจ้าเราต้องยิ่งถ่อมใจลงในการที่เราจะสำรวจชีวิตของเราทุกๆวันว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องมีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมมีสิ่งใดที่เราจะต้องแก้ไขหรือเปล่า ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน